ตายทำชั่วหากนรกมีจะไปตกนรกขุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนมันจะเข้าใจไปอย่างนี้ครับบันนี้คําพูดพูดชั่วตาย ไ, ไปแล้วจะไปตกนรกขุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนเนี่ยมันจะเข้าใจอย่างนั้นวันบบนี้ใจคิดชั่วตายง ไ, งไปและจะไปตนกนรกขุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนมันจะเข้าใจอย่างนี้วันนี้กายเขาทาชั่ว คำพูดก็พูดชั่วใจก็คิดชั่วสามอันนี้มาบวกเข้ากันตายแล้วจะไปตกนรกคุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนมันจะรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นญาณของปัญญาเข้าไปรู้อย่างนี้อย่างแจนแจ้งจริงๆครับอันนี้เดี๋ยญาณของวิปัสสนาเป็นปัญญาญาณเข้าไปรู้เดี๋ยวคนจะล่วงผู้ปฏิเพาะปัญญาเนี่ยเดี๋ยวให้มันคิด มันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้มันยิ่งคิดมากเราก็รู้มากเข้าทันเข้าทันเข้าเป็นอย่างนั้บัดนี้ในทางตรงกันข้ามาทําบุญโยธรรมดีด้วยกายวันนี้ถ้าสวรรค์นิพพานมีตายไปแล้วจะไปอยู่สวรรค์สไหนานานกี่ปีกี่เดือนจะรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้วันนี้ทำดีด้วยวาจาพูด อ่อนพูดหวานเนื้อหากว่าตายไปแล้ววันนี้จะไปยุดสวรรค์ท่นไหนนานกี่ปีกี่เดือนเป็นอย่างนั้นจะรู้เห็นเข้าใจอย่างนีว้ว่าญาณปัญญาเข้าไปรู้ครับวันนี้ทำดีด้วยใจใจคิดดีมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเพื่อแทนเพื่อนฝูงวันนี้ถ้าหาก ตายไปบันเนี่ยจะไปะยุสวรรค์สั้นไหนนิพานสั้นไหนนานกี่ปีกี่เดือนจะรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้ครับบันนี้กายก็ทำดีวาจาก็พูดดีจิตใจก็คิดดีครับตายไปแล้วบันเนี่ยจะไปเกิดสวรรค์ น, นิพานสั้นไหนนานกี่ปีกี่เดือนมันจะรู้จะเห็น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 งานแปลว่าเข้าไปตัดหรือไปลื้อไปถอนจะว่ายังไงก็ได้ครับมันเพียงเป็นเพียงสมมุติมาพูดให้ฟังมันจะเป็นวิปหลาดที่ตรงนี้นะครับพอดีผมเห็นเป็นมีมันจืดมอดตัวเหมือนกันครับผมเคยพูดให้เพื่อนฟังบ่อยๆว่าเอาเสื้อกในล่อนเสื้ออะไรก็ตามไปพูดว้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 เมื่อรู้จุดนี้แล้วมันจะเบาเหมือนกับไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนี่เนี่ยครับนี่ผมกําลังเดินครับผมเป็นตอนเ้าครับแต่เมื่อเป็นรู้รูปนามทําที่แรกฮารู้ตอนเ้าเมื่อรู้ทําให้จิตใจเปลี่ยนแปลงเป็นปรมัตดมานี่รู้ตอนเย็นครับตอนรู้ศีลกับตอนรู้ที่เห็น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 พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวนั้นไม่ใช่ตัดผมจ ร, จริงๆคืออันนี้แหละครับมันขาดออกจากกันครับเลือดทุกหยดจะห้วนกลับทั้งหมดเสื้อที่เราผูกไว้น่นะครับมันจะกลับเข้าไปสู่หลักเดิมมทั้งหมดอันนี้แหละครับมันจะรู้เห็นมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เรียกว่าอาการความเปลี่ยนแปลงไป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 อารมณ์นั้นทวนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วัตถุปัลลมัตอาการโทรสะโมหโลภะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ไปอย่างนี้ทวนให้มันสมมุติเอาครับเหมือนเรากับเดินทางนี่ลนะเราเดินทางเนี่ยทีแรกเดินไปเราไม่ได้ตัดไม่ได้ทางอะไรมากไม่ได้กลนหลักกลนตอมากแต่ว่าตัดทางให้ไปได้ บัด น, นี้เราทวนไปจนจบไม่ได้ทวนไปจบแล้วก็ทวนตั้งแต่ปลายลงมาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้ครับบัด น, นี้ทางนั้นเป็นหลักเป็นตอวแล้วก็ค่อยตัดค่อยเตียนเข้าปัดกวดเข้าให้มันละเอียดอันมันสมมุติพุนะ่นอะให้รู้อารมณ์ละเอียดเข้าเป็นพักเป็นพวกเป็นหมวดเป็นหมู่เรียกว่าขันห้าขันสี่ขันสาม ขันสองขันเดียวอย่างเนี้ยให้มันรู้จริงๆครับรู้อันนี้วิปัสลากว่าหายไปจินตยานกว่าหายไปวิปัสสนูกาหายไปมีแต่ปัญญาลุนล้วนครับอันนี้มีแต่ญาณของปัญญาเข้าไปรู้เหลือวปัญญายานญาณเข้าไปรู้อันนี้แหละครับที่ผมได้แนะนำํำทำสอน มาหลายคนครับมีคนรู้มาถึงจุดนี้น้อยคนแต่รู้เรื่องรูปนามนั้นมากอสอนกันกันรู้มากแต่รู้เรื่องจิตใจเปลี่ยนให้ทําตัวเป็นอริยะบุคคลเรียกว่าเป็นพระนั่นก็มีมากนีมากบางคนก็จิตใจเปลี่ยนครั้งเดียวบางคนก็สองครั้งสามครั้งไปเป็นอย่างนั้นแต่ควรมรู้เหมือนรู้ครับ แต่พูดให้ฟังแล้วรู้ครับอนแต่มันยังไม่ชัดเจนครับผมพูดความจริงจะหาว่าผมพูดอ้วดหรือว่าหาว่าคุยพูดมากก็ได้เพราะเรื่องของคนมันต้องเป็นอย่างนั้นครับรู้ได้ครับไม่มีใครพูดให้ฟังเรื่องเหล่านี้ครับผมรู้จริงว่าพุทธานุพุทธะหรือ่า จะว่ายังไ้ว่าสาวกพุทธะก็ได้จะว่ายังไงก็ได้ครับจะห้ามไม่ได้ครับพุทธานุพุทธังสามารถศีลทิฏฐิเงนเราสวดโยจกขุมานี่ว่าแต่เป็นใจกว่าผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกันท่านว่ามีเหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าครับ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 เป็นวิธีแก้ของวิปัสสนาถ้ามันตึงเครียดวินหัวหนักอกหนักใจนั้นเราต้องทําเบาๆอย่าไปเพ่งถ้าไปเพ่งน่ะมันแน่นเข้ามันแก้ไม่ได้ทําให้มันสบายมองไกลๆเนี่ยครับถ้ามองไกลแล้วมันคลายออกไปผมรู้นะผมหนักอกหนักใจน่ะมันจะคลายออกไปเองมันครับ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 หรจะว่ายังไงก็ได้มันเป็นเรื่องสมมติอย่างรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามจึงจะสมกับที่เราสวดกันหลักสังฆ ค, คุณวสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระภิพระภาคเจ้านั้นมูใดปฏิบัติดีแล้วคือปฏิบัติอย่างถูกต้องครับอุตฉุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระพุทธภาคเจ้านั้นหมดปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติตง่งต่อตัวเองตรงต่อคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้ายายยาปฏิปโนพระคาวโตสาวกสังโคสงสาวกของพระพุทธภาคเจ้านั้นโมไดปฏิบัติเพื่อลู่ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วออกจากโทสะออกจากโมหะ ออกจากโลภะออกจากกิเลสออกจากตัณหาออกจากอุปทานกรรมวิบากเหล่านั้นจะออกไปจางไปจางไปน่ว่าสามิจิปติปนโนภะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพาพผู้มภาคเจ้านั้นหมดหปฏิบัติสมควรแล้วเนี่ยคือจะไม่หลงไม่ลืมครับ เนีย่ยที่ทางจตางในปุริสุญญาเนี่ยอัฏาปุริสัญุคลานี่คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพระวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระภูมิภาคเจ้าจะเป็นผู้หญิงก็เป็นสงได้เป็นผู้ชายก็เป็นสงได้เป็นพระเป็นเนรก็เป็นสงได้บวชก็เป็นสงได้ไม่บวชก็เป็นสงได้ถือศาสนาใดก็ตาม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 เป็นประเจก้าพุท ธ, ธก็ได้เป็นสาวกพุท ธ, ธก็ได้เป็นอยางนั้นพ่อสุดท้ายได้ถนัดสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหง น, นั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้นี่ รู้เห็นเป็นมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าจ้ว่ารู้จริงๆเรื่องนี้ครับรู้วิปัสสนูรู้จินตญานรู้วิปลาสรู้เห็นเป็นมีจริงๆครับจึงจะสามารถยืนยันรับรองคำพธดคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถยืนยันรับรองวิธีปฏิบัติของตัวเองได้ครับรับรองว่ารำ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 เพิ่สอนอย่างแต่ท่านมันเป็นคำพูดอันงอย่ามาสอนย้ำเข้าไปอีกว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้รู้เนี่ยอันนี้รู้อันนี้มันทำให้ปัญญาญาณเกิดขึ้นและจะไปแก้ปัญหาสิ่งที่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 แล้ท่านสอนเข้ามาอีกว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิเนียบุตร ย, ย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้ในท่านสอนอย่างนี้ครับเชือว่าตั้งอกตั้งใจจดจําเอาไว้ครับเป็นวิธีแก้ปัญห า, หาเรื่องวิปสัสส น, นูแก้ปัญหาเรื่องจินตญาณแก้ปัญหาเรื่องวิปลาสครับในขณะที่เราเป็นเราจะไม่รู้เพราะเรายังไม่เข้าใจนี่ครับ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 อาณาปานาสติหายใจเข้าสั้นออกยาวลมหยาบลมละเอียดเนี่ยผมเคยทำมาครับแต่ผมไม่รู้เพราะมันไม่ถูกกับจริตของผมหรือยังไงก็ไม่รู้คนอื่นนั่นอาจจะทำรู้ก็ได้แต่ผมมาทำเรื่องนี้ไม่นานครับไม่นานจริงๆรู้เห็นเป็นมีเข้าใจแก้ปัญหาการขัดแย้งของตัวเองได้จริงๆ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 ตรวจเป็นปริตรมงคลอันนั้นเลยเป็นคําพูดนะครับเมื่อมาคิดถึงการปฏิบัติพุทัสโลกธรรมเมหิจิตตัง้งยานกรรมปติจิตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์คืออารมณ์ทั้งหลายหรือโลกทั้งหลายเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายโลกทั้งหลายคือมีความสมบ้าง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 มันก็เป็นอย่างนั้นถึงจะรู้ก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นแทนทันวยยายนั้นวิชังเป็นจิตไรทุลีคือจิตไกลจากทุลีกะว่าได้หรือว่าไรทุลีก ะ, ว, ะว่าได้คำว่าไรทุลีนีสมมติมาพูดให้พวกเราฟังให้เราเข้าใจเราเคยเห็นเราไถนาเราดำนาคาดนาน้ามันขุนเราว่าน้ามันขุนมันเป็นตมเป็นเลน แต่น้ําไม่ได้ขุนครับสายตาคนมันมองไม่เห็นบันนี้เอาน้ําขุนอันนั้ น, นมาใส่ขันใส่โอใส่ขวดใส่ที่ไหนวัดมาได้ตักมาไวนะ้แล้วต้มเลนตะกรนนันน่ะครับมันไม่ใช่เป็นน้ําครับต้มเลนกับน้ํามันอยู่ด้วยกันวันนี้นานๆเขาต้มเลนเขาจับเป็นตะกรนเป็นก้อนเขาน้ําก็ใสก็สะอาดนะั่นมันเป็นอย่างนั้นทีวัด จิตไม่เศร้าโศกจิตไรโทุลีจิ ต, ไ, จตไม่วันไหวมันเป็นอย่างนั้นครับมันน้ากับตะกอนนั้นมันอาศัยอยู่อันกิเลสเหล่านั้นมันก็อยู่ขมันนี่ว่ามันคิดให้เห็นให้รู้เอาตัวรู้นี่ได้เข้าไปไปรู้ครับรีกว่าญาณของปัญญาเขาไปรู้ครับเข้มังเหมือนเป็นจิตอันกเกษมทันไหว อันจิตอันกเกษมนี่ก็หมายถึงจิตพ้นไปจากความทุกข์พ้นไปจากความสุขเราก็เลยมาพูดอุเปขาวางเสยเป็นจิตอันกเกษมมันเป็นอย่างนั้นอยู่ถึงจะรู้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้มีแล้วไหนคนทุกคนไม่ยกเว้นจะถือศาสนาใดก็ตามนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามเป็นมี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 พระพิจิตรนั้นจะเรินมั่นคงถาวรต่อไปเป็นอย่างนั้นถ้าหากเราไม่พูดไม่สอนกันก็จะไม่รู้ครับการให้ทานรักษาศีล น, นั่นดีแล้วแต่เราให้ทานรักษาศีลนั้นมันยังมีโกรธมีเกลียดอันนั้นมันเป็นสังคมศีลไม่ใช่ศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบครับท่านศีล น, นั้นท่านว่า สิ้นเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาดคือกิเลสอย่างหยากมันจะหายไปมันไม่หายเหมือนกับตะกอนนั่นแหละครับกับน้ำน่นะมันจะอยู่ด้วยกันได้แต่มันเห็นมันรู้มันจะไม่ทําให้น้ํานั่นขุ่นมันจะแข็งตัวมันเป็นก้อนอยู่อย่างนั้นครับจั้ะน้ําท่ากับน้ํามันอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ละคนกันเข้ากันได้มันจะเป็นส่วนเป็นส่วนอยู่อย่างนั้นอัน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 คนฝรั่งเศสถือศาสนาพุทธก็เป็นอย่างนี้ครับมันมีทุกคนจิวที่ผมพูดมีจืวไม่กำหนดกฎเกณฑ์เสื้อราสาศาสนานาทินิกายอะไรทั้งหมดไม่ถือทางนั้นรับรองเห็นเป็นมีจริงๆรับรองได้คำพูดคำสอนผมนำมาเล่าสู่กวางในวันนี้รับรองแทนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านตันว่า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 จิตญาณก็อย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องวิปลาดต้องให้มาแนบแน่อยู่อารมณ์อารมณ์ทวนกลับไปกลับมาให้มันรู้ให้เข้าใจที่ผมได้แนะนำมาวันนี้ก็นึกว่าทุกคนจำได้ท้ายที่สุดนี่ผมพร้อมด้วยเพื่อนพระสง์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หน้าสถานที่นี้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 ข้อที่สี่นิทานวัตสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วเห็นนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤษษษษษษติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคตนี้